Hans Koninklijk heeft gezegd dat de tijd nu langzaam is. Het is een tijd die langzaam is. Het is een tijd die langzaam is. Het is een tijd die langzaam is. Het is een een แต่ความร้อนไม่สูงเท่าดวงอาทิตย์อย่า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 แต่เขาบังเอิญมันจะบ้าพระศาสดาเค้าญาติโยมพระศาสดาทั้งหลายโปรดทราบว่าไม่ต้องหนักใจเพราะมีหมอมนตรีคอยรักษาอยู่แล้วคุณหมอมนตรีถามหมอมนตรีหมอมนตรีก็บอกว่าไอ้โลกหลุมดําไม่เป็นหลุมครับเวลาดวงดาวต่างๆเข้าไปใกล้เมื่อโดดหายก็ไปหมดแสงสีต่าง เลยไม่ 11 มกราคม 2533 อาตมาเป็นโรคเกี่ยวกับราก ครูสุภา 2 สามีปัญญาสําหรับในๆค่อยถอนทิ้งก็ แล้วก็ไม่เสียเวลามากจะรักษาถ้า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 เพียงวัดทิ้งหวายไม่เคยได้ไม่เคยห่วงแต่ว่ามัน ik heb een paar keer geprobeerd. Ik heb een paar keer geprobeerd. Ik heb een paar keer geprobeerd. Ik heb een paar keer Ik heb een paar keer geprobeerd. Ik keer Ik heb een keer een Ik heb een paar keer geprobeerd. Ik Ik heb een paar keer geprobeerd. ถือว่าร่างกายนี่ไร้สาระฉะนั้นร่างกาย คุยกับท่านเผินท่านก็เลย Bai ว่าเอานี้จนแล้วกันไปเสียห่างร่างกายร่างกาย พอท่านพูดเท่านั้นจิตก็ตกวูบอีกครั้งหนึ่งมีความหิวนิดหน่อยปรากฏว่าร่างกายไปอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งที่เค้าเรียกกันว่าแดนอมตะหรือแดนที่ตายไม่เป็น we heb het op een dag zoiets zoals ik al lang heb, jank, mijn baal, mot, die, mot, kwam, nacht, jij niet, mijn mina, den, niet. Kurie, dan, wat, dat. Tonny, dan, een, la, fang, แต่ความเป็นมาก็บอกที่ให้การรักษา <c oughs> แต่งตัวแผ่วพราไประยับเข้ามาใกล้ขึ้นมาบริเวณคานที่ ขึ้นต้นมหาติปถานโสทแปลไม่ได้เค้าอยากจะแปลก็ไปเอาเองวงความว่าฉันต้องการอยู่คนเดียวอารมณ์จิตจะสงบเธอจะเข้า <c oughs> ทุกสิ่งทุกเสียงทุกอย่างต้องเต็มบริความสด อาตมาผู้พูดนี่เป็นพระแต่ความจริงพระถ้ามีกังวลมันก็ไม่ใช่พระอันนี้ไม่ได้ด่าใครด่าตัวเองนึกในใจว่าเราถ้าเป็นพระถ้ามีกังวลก็ต้องไม่ใช่พระตอนนี้คนพูดเค้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเค้าเป็นผู้หญิงเค้ายังสามารถทําอารมณ์อย่างนั้นได้เราก็ <c oughs> มันจะไม่ได้มากประเดี๋ยวนึงก็เอาก็เลยตกลงบอกเอ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอ เธอก็บอกว่าเห็นนั่งคนเดียว <c oughs> <c oughs>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 เธอก็ถามใหม่ว่าจักรวาลทั้งหมดรู้จักแล้วหรือก็เลยตอบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรวาลเล็กๆถึงจะรู้จักไม่หมดเลยเธอถามว่าจักรวาลไหนเธอก็ก็บอกเธอบอกว่า ถ้าใช้กําลังของจิตในอารมณ์ก็มาถ่ายก็เห็นเป็นเงาๆบ้างเห็นชัดเจนบ้างบางส่วนแต่บาง จะบอกเนี่ยโง่มันต้องดูแดงพรหมมองต่ำลงไปก็มองตาม om die penloki, wie zei, benchaloki, don't krap ik, my, me, toeknak. Daar, prom penpa, kan, ba, meekin, ma. Wangli lip, ank, took yang, toek, don'tbody, bat, ben, so, de, arahant. Tegatava toek. Hang op, in Ma, hem, en, na, jij, ho, mak, mak. dan, ze, มองยึ้งไปนี่เห็นแดนสวรรค์เกริ่นกลอนมากมายร่ำรำธรรมเพลงมีความ <c oughs> ก็ตอบเธอบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ว่าถูกไห้โง่อีกหน่อยแหม่เมื่อ ต่ำจากเทวดามังฟ้าต่ําจากสวรรค์ลงไปต่อไปก็ดูเห็นไอ้ลูกมะนาวบ้างส้มเชียวหวานว่ามันลอยเกลื่อนอากาศลูก ก็ถามเทพบอกว่าไอ้ลูกผลส้มเนี่ยมันใครเค้าทําหล่นไว้เธอก็ยิ้มเธอก็ maar nu het je opendebotenpamlet, bang, jai, bang, hin, daar was de hatme. hin, een jai, is een jord, jord, tamme, maakt, trek en doop, ju, maat, ik denk, is zo. dat kun een het was kaptisch zo. Zo man dat een antwoord, maar je we will zien dat woens van een rahse arts dużo is héms, dus wou op dat dus koffie wil van unconditional bekeken. dat hoe een meneer Truそして een anderçaal柠 hebben. Hij kind op dat ze toen ze kick aan pik en de mocht hem in toe, mij tolk, lang de dong om, Long be a pier, doe, doe, doe, doe, doe, doe, a japot, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, หนักใจถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันตบก็เหมือนกันไปแล้วเอ๊ะแต่เป็นมนุษย์แก่ๆก็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 dat mag De dat daar waar de dat klang. Ik wou dat dat En me me kon เธอพรรณนาแต่ว่าตอนนั่งตอนนั้นไม่เห็นนะเห็นมันโลกถ้าเรียก <c oughs> ก็ถามได้ว่าเรียกว่าโลกอะไรก็เรียกว่าเรียกเรียกว่าชินาโลกและชินโลกชอช้างศรีณโหนสระโอลลิงกไก่ชินโลกคือโลกที่มีความชนะไม่แพ้ใครนั่นก็หมายความโลกประเภทนี้ในจักรวาลทั้งหมดไม่มีมีโลกนี้โลกเดียวที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็กราบ Tembo, geloof, een pub, maar ik ga taak Ik ga taak wang, auto, ik ga taak ik ga taak wang, ik ga taak wang, ik ga taak wang, ik ga taak wang, ik มองดูจักรวาลนี้มันเหมือนกับมะนาวลูกเล็กๆมันจิ๋วมากถ้าจะไปเทียบกับดาวพฤศจิกหรือโลกพฤศจิกโลกรหัษโลกรังคานเนี่ยเทียบกันไม่ได้เป็นอันว่า ถ้าเปรียบเทียบกันมันเปรียบเทียบกันใหญ่กันมากท่านก็ถามว่า <c oughs> Kondemen, kijk in kontoppen met een paard na, kijk paard met een na. Kijk, เขียนว่าจักรวาลต่างๆที่ไหลเข้ามาใกล้ลอยถ่ายพรึบเข้าไปในท้องมันหมดแล้วก็ไม่ออกมาพระจึงกันเลยบอกว่าความจริงมันออกแต่พอหลังไม่มีเวลาดูเวลามันออกเพราะว่านักปรัชญาถึงเวลาก็ต้องหลับที่เวลาตื่นก็ตื่นที่เวลาหลับก็หลับต้องมีการพักผ่อนทีนี้เจ้า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 อ่อนตามท่านไหลไปที่นั่นแต่ถึงนั้นเจ้าวนไปวนเจ้าชินนโลกนี่ก็เช่นเดียวกันในเมื่อมันเป็นหลุมลึกอยู่ตรงกลางข้างในแล้วสางช่องว่างที่ <c oughs> Hoe man zoon kan zeggen dat rap, maar een mond, maar hij kan mond, maar hij kan ook gaan. Maar hij niet zeggen dat hij, maar hij kan niet zeggen dat hij, maar hij kan niet zeggen dat niet zeggen dat hij, maar hij kan niet zeggen dat hij, maar hij kan niet zeggen dat hij, maar hij het niet มันไม่มีเครื่องขับเคลื่อนมันก็ไหลเข้าไปตาม <c oughs> อาจจะเข้าไปปีบ้าง 50 ปีบ้าง 70 ปีบ้างการมันเป็นอย่างนี้ต้องธรรมนักปรัชญามีความ <c oughs> <c oughs> Manda tans op paaf, dat die brak klan ik op paiduig. Paiduig kan jere roer, ee lo, niet in tien man piggen, i. Maar dan, bo, paiduig kan go, ma, my yak. Kao, paap, deel, gotting, lo, niet in tie. Mij ton, paak, prom, alo, met een paak voor tannies, een one met een prom. Mij ton, paak, van nannie, erroer, prom, overkad, dat ik dan moet. Kao, kao, deel, gotting. Wat ik denk, je lang, man dat je, ga de maar kan aan. Til leg lang, dun, we waren lang, lock, kaj, in, dat had chivikonkun. Nee, lang, man notte, man da, den harois, chivikon, jang, we tjobbelen. Man แต่เดินลงไปเลยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเดินลงไปเลยไปดูบ้าง ik heb een klein man, maar ik heb geen zin in het oog. Ik heb geen zin het oog. Ik heb geen zin het oog. Ik heb geen zin in het oog. Ik heb het oog. Ik heb geen zin het oog. Ik heb geen zin in het Ik heb geen zin het Ik heb geen het Ik heb geen zin in het Ik heb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 ก็ถามว่าในเมื่อมันเป็นโพรงแบบนี้อะไรมันจะไม่พังหนักแล้วต่อไปก็ต้องขึ้น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 ที่ 11 ก็ 41 มกราคม 2533 เท่านั้นเอง 12 สําหรับ 1 นี้ชื่อว่าโอกาส จึงมี